ก็การบูชาพระธนตรัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตแต่หลวงบ่เทียนหลวงบ่อคำเขียนก็กาบกระวะหลวงพ่อกุมอาจารย์วัฒนาชัยอาจารย์ฉัดชัยพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไมช่ชีแล้วก็ญายิโดมทุกคนก็นั่งกันตามปกติเนาะ การหลังจากที่เราอวิพระสรศมนาธรรมะเย็ น, นในวันนี้นก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่8ปมิถุนายนพุทธศก 2000, ทธักราช2อง7ัรารก็ในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มของเออ่ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะปรนอมเข้ม40วันแล้วก็มีกลุ่มประจำเดือนนะก็มาวันแรกนะีวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็มีพระบทใหนนะอีก4รูปแล้วก็มาจากที่อื่นอีก2รูปนะก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ในชุมชนของวัดป่าสุกโต นะซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเดินรู้นะโดยเฉพาะการเดินรู้เรื่องของการเจริญสติแต่ละคนคงมีจุดมุง่งหมายในการมาแตกต่างกันดอกไปแต่ก็คิดว่าคงจะมีจุดร่วมกันนะตรงที่เราจะทำอย่างไรนะที่จะให้ชีวิตของเรามันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้น โรยเพาะยิ่งการมีชีวิตอยู่ในสังคมมาในโลกปัจจุบันนี้นะที่มีความสับสนวุ่นวายนะแล้วก็ทมให้เราไม่ตกกังมันนะมีความเครียดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้าใจว่าพวกเราทุกคนนะคนได้สัมผัสมาเหตุที่ บางทีก็เกิดความสับสนเกิดความเครียดเกิดนะความรุนวายใจนะก็ด้วยสายเหตุที่เราหรืมึนนะสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่านะซึ่งมันมีในตัวเรานะซึ่งเราเลือกกันทั่วๆไปว่าก็คยทํามานั่นเองคนในโลกสมัยปัจจุบันนะคิดว่าเรา มีชีวิตมีเงนินมีทองมีอาชีพมีหน้าที่การงานมีครอบครัวมีสังคมแล้วก็เป็นการเพียงพอแล้วชีวิตเราจะต้องการอะไรมากกว่านี้แต่เมื่อเราได้ใช้ชีวิตไปเราก็พบว่าสิ่งที่เป็นวัตถุอาจจะเป็นเงินทองก็ดีทรัพย์สินก็ดี ก็เป็นสิ่งที่อำนความสะดวกนะในการที่เราจะมีชีวิตอยูนะ่แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแก้วความเครียดหรือไม่สามารถที่จะแก้วความวิตกกังวลหรือนะความสับสนวุ่นวายในใจได้เมืนะ่อเราเกิดความเครียดเกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนนะอาจจะเป็นเรื่องการงานก็ดีเรื่องในครอบครัวก็ดี เรื่องการสัมพันธ์กับผู้คนก็ดีหรือเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆเหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็บางครั้งก็ทำให้เรามีความรู้สึกหนักอกหนักใจทำให้เรามีความเครียดนะมีความสับสนวุ่นวายใจยงเงินทองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แต่ก็มีบางคนนะก็บอกว่าไม่นจะยากเลยนะเวลาเราเครียดเราก็ไปเที่ยวสิเราก็ไปดูหนังฟังเพลงสิเราไปหาเห็นอะไรอร่อยกินสิเดี๋ยวมันจะหายเองอ่ะมันก็หายได้นะเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งแต่เขาเรียกว่ากรอบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งเราไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ อย่างตรงไปตรงมาเราพยายามจะหลบเลี่ยงเยนี้มันมด้วยการไปหากิจกรรมทีน่นอกหาบุคคลหากิจกรรมต่างๆมาที่จะกบเกลือนหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมบเป็นครั้งเป็นคราวไปเม่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาใหม่เราก็ไปหาสิ่งที่นอกมาที่จะกบเกลื่อน ความทั่วไปและถ้าสังเกตให้ดีนะสิ่งที่มากรบเกลดอนเนี่ยจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีเพลงภาพยนต์ก็ดีเนะี่ยถ้าในาใช้สิ่งเหนี้เนะี่ยมาถ้าเราใชาบ้บ่อยๆมันจะเกิดการด้านชาและ ม, มันตัน ป, ปริมาณที่มากขึ้นที่แปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อย น่าต้องการพาพยนตรใ์ใหม่ๆต้องการเพลงใหม่ๆต้องการอาหารใหม่ๆน่าต้องการเพื่อนใหม่ๆน่ า, า, นาคือจิตเมันขี้เบื่อเพราะนั้นตรงนี้นะ่มันก็ทำให้เราต้องเหน็ดหน่อยกับการที่ต้องสแสวงหาสิ่งต่างๆานมาเพื่อที่จะกบเกินทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจอีกทางหนึ่งบางคนก็ไม่ใช่วิธีการกบเกิน แต่ใช้วิธีการเก็บกดเก็บกดก็คือมันทุกข์ขึ้นมามันคิดขึ้นมาก็พยายามที่จะไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วทำเป็นเหมือนกะบะับเราไม่มีความทุกข์อะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ในใจมันเก็บกดเอาไว้จนสิ่ง น, นี้เนี่ยเราก็จะมีความอึดอัดอและมันก็รู้อยู่ในใจของเราว่าเรามีความทุกข์จเจ็บปวดขนาดไหน เรื่ที่สิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราคาไม่ถึงความผิดหวังในเรื่องต่างต่างเราเราไม่กดเกินแต่เราไปเก็บกดซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็ถือว่าเรายิ่งทุกหนักข้าไปอีกเพราะนั้นเมื่อจะก็บกดก็ดีหรือจะกดเกินก็ดีไม่ไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่การแก้ทุกข์ที่แท้จริงการแก้ทุกที่แท้จริงนั้นก็คือการที่เรา เพื่เผชิญกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราประการที่จะเผชิญกับความทุกข์ตรงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือสําคัญเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไม่ได้อาจจะไม่รู้จะแก้อย่างไรแล้วมันเป็นเรื่องที่นากกลัวมากสําหรับคนที่เราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแก้ใจตได้ก็พบ เหมือนกันเหมือนกับพวกเราเนี่ยเจ้าใจตะหรือพระเจ้าเนี่ยก็ได้พบสถานะสาภาพอย่างนี้กระความทุกข์ในใจนะแล้วก็ใสวัตถุภายนอกสิ่งต่างๆเนี่ยมากลบเการ น, นัง่งมาเก็บกดน้างมาโดยอาศัยสิ่ ง, งต่างๆซึ่งมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ยอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ท่าได้กลับมาดูตัวเอง กลับมาเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเพื่อที่จะได้เห็นนะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้ น, นลอยลอยนะมันมีเหตุมันมีปัจจัยถึงได้เกิดนะเหตุปัจจัยที่แท้จริงนั้นคือความไม่รู้เท่าทัานในอารมณ์ ความนึกคิดต่างๆาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาที่ตัวของเราเราไม่ต้องไปแสวงหาเพื่อนมือข้างนอกนะที่จะมากรอเกลืยนหรือ ม, มาเก็บกดแต่เราจะมาเรียนรู้ความทุกข์ ถ้าหาทางแก้ไขเพื่อชีวิตนั้นเกิดการกลืนเกินขึ้นม า, าไม่เก็บกดไม่กดเกลื่อนแต่ทำนห้มันเกิดความกลนเกินขึ้นมาชีวิตที่กลืนเกินกต่ธรรมชาติดั้งดมของจิตใจของชีวิตก็คือชีวิตที่เป็นปกติจิตใจที่เป็นปกติเนี่ยเป็นจิตใจที่เอ่อกลนเกินกตธรรมชาติที่มีอยู่ การที่เราไม่เกรีนเปลี่ยนไปธรรมชาติเปนแทนนั้นก็เพราะว่าเราหลงเนเราไม่รู้เท่าทันกตไยเหล่านี้กลไกของกายของใจที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและการที่เราไม่ได้หันกลับมาดูเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราพลาดโอกาสสําคัญไปพลาดโอกาสที่จะมาแก้ทุกมาที่เกิดขึ้นในจิตใน ใ, นใจของเราเนีเพราะฉะนั้น การที่เราจะกลับมาเผชิญหน้ากับความทุกข์งานด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกกัวสิ่งนี้เจ้าใจจั่ได้ค้นพบและก็ได้เผยแพร่ต่อมาจนถึงปัจจุบันงานบันทคคึกไว้ในพระไตปรปิฎกงานเราเรียกว่ามาหาสติปฐานงานซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่เขาใจยาก เป็นภาษาบาลีบาลีเรายิ่งไม่ไม่คยได้สนใจแต่ก็ถือเป็นโชคดีของพวกเราในยุคนี้ที่มีครูบาอาจารย์ท่านได้เรียนรู้ฝึกฝนตัวเองจนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาถึงกับพวกเราซึ่งในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะ ครนะูบาอาจารยนะ์ที่ได้นําเสนอวิธีการเจริญสตนะิที่เราได้ใช้กันที่วัดป่าสุกตนะก็คือหลวงพเทียนนะที่ได้ค้นพบเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วก็เรียกว่าการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการที่แปลกแตกต่างไปจากวิธีการฝึกกมรมาฐาน ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปกรรมฐานทั่วไปเนี่ยจะน้นที่เรานั่งหลับตาให้เราเนิ่นๆไม่ต้องเคล่อนไหวนะให้ใจเราสงบนนะปาปัญญาที่จะมารู้สึกตัวที่เราหายใจก็ดีมาอยู่ที่คำบริกรรมก็ดีนะเพื่อที่จะให้เราเรียกใจกลับประโูกับมื้ตับตัวนะซึ่งตรงจุดเนี้ย ก็เป็นจุดที่เราได้เรียนรู้กันมาโดยเฉพาะหลายๆลายคนก็จะว่าคนได้เคยฝึกกันมาบ้างแต่การฝึกที่มันนิ่ ง, งๆหลับตาเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้พัฒนาต่อไปเราไปนิ่งไปสงบมาไปมีความสุขไปดื่มดำ่ำกับความสงบนิ่งๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนิ่นช้าเราไม่มีการพัฒนา นาปัญญาก็ไม่เกิดนาเพียงแต่ว่าเรามาความรู้สึกมีความสุขนามีปุติในขณะที่เรานั่งนิ่งนิ่งแบบนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนนาที่ทําให้การฝึกโดยการนั่งหลับตาโดยการนั่งนิ่งๆ่งเนี่ยนาไม่เกิดการพัฒนาขึ้นมาซึ่งครูบาอาจารย์ในสายที่นั่งนิ่งนิ่งเนี่ย ท่านในพัทธมาต่อไปถึงกับว่าอย่าไปนั่งอย่าไปอยู่นิ่งๆอย่าไปหยุดสงบให้ตื่นตื่นรู้ขึ้นมามาที่จะดูอาการที่มันสงบรวมถึงความคิดที่มันนึกคิดขึ้นมาให้รู้ให้รู้รทันนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำต่อมาเพราะว่าปฏิชิตสงบ ที น, นี้วิีการที่เราจะฝึกการรับป่าสกตโตเนี่ยมันจะต่างกันเราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเลยไม่ไม่นิ่งๆไม่นั่หลับตาไม่ไม่สงบแบบนิ่งให้ตื่นรู้การตื่นรู้นี้มนาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวโดยสิ่งที่หยาบๆยาบก็คือการเคลื่อนไหวของกายเป็นเบื้องต้นมานะ โดยมีรูปแบบการสร้างจังหวะ14จังหวะการเดินนะจงตรม14จังหวะนี่เราก็ยกโดยที่เราไม่นั่งหลับตานะแล้ก็ไม่ต้องมีคําบริกรรมด้วยหมาเพียงแต่ว่าให้เรามีเจตนาที่จะรู้สึกขณะที่เราพลิกมือก็รู้ขณะที่หยุดก็รู้ขณะที่ยกก็ ร, กรู้ขณะที่เคลื่อนก็รู้ขณะที่หยุดก็รู้เพราะนั้น การสร้างสิบสี่จังหวะเนี่ยอย่าไปทําแบบอัตโนมัติให้มีเครื่องให้มีหยุดให้มีจังหวะความรู้สึกตัวจะเป็นทีละขณะทีละณะอย่าไปเจาะไปจ้างเจาะมันรู้สึกตัวตลอดพอไปเจาะไปจ้างให้มันรู้สึกตัวตลอดมันจะเครียดนะพอไม่ให้มันรู้สึกตัวทีละณะทีละขณะใหม่ๆเนี่ยมันรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรเผลอแล้วกลับมารู้ กลัรื่อยๆบ่อยรื่อยไม่รู้อะไรรู้การพลิกมือรู้การเคลื่อนรู้การหยุดอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นการรู้นี้รู้จากการสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ใช่การคิดเลยเราพลิกมือเนี่ยเราก็รู้สึกเราเคลื่อนเราก็รู้สึกรู้สึกพลิกรู้สึกเคลื่อนแค่น้นพออย่าไปวิเคราะห์วิจัยว่าเอ๊ะมันถูกหรือมันผิด เคลื่อนขนาดไหนเรขนาดไหนช้าขนาดไหนตรงนั้นมัเป็นความคิดละเอาว่ายกแล้วเนี่ยมันรู้สึกสบายๆไม่เครียดเกินไปไม่ตึงเกินไปแต่ก็ไม่เผลอเนี่ยแต่ตรงนี้ก็ต้องเอสังเกตเราเองเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเราทําให้มันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่จังบปเพิ่งไม่แจ้งใช้มันรู้ตลอดรู้บ้างเผลบ้างแต่กลับรู้ให้ได้บ่อยๆ นะกลับมารู้ใด้วยบ่อยๆเพราะฉะนั้นการสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกลุ่มก็ดีนะ่ยมันมีเทคนิคเค็ดลับตรงนี้นให้รู้อย่างต่อเ น, นื่องคำว่าต่อเนื่องในทีน่นี้หมายถึงว่ารู้ทีละขณะทีละขณะอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่รู้แบบจี้มาดูตลอดไม่ใช่ถ้าไปรู้แบบจี้ตลอดเราจะเครียดเราจะหนักนะเพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนะี่ยให้สังเกตให้สังเกตตัวเราเอง ใจเราเอเนี่ยจะมันจะบอกมันจะมีสัญญาณบอกว่ามันหนักเกินไปแล้วนะมันเคียดเกินไปแล้วนะเราก็ต้องผ่อนคลายลงใหม่ๆเนี่ยคนใหม่มๆบางทีตั้งใจมากตั้งใจมากมันจะเพ่งระบายข้างหนามากเพ่งระบายข้างหนมากมันจะเ่วงมันจะหนักๆมันจะมึนๆเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยออกไปมองออกไปข้างนอกบ้งกระเด็นมองไปที่ยอดไม้บ้งกระเา็นม ป่อยออกไปบ้างถ้ไปล่อยออกไปบ้างมันโผลเราก็ดึงกลับม า, างาเล่นกับมันันเนี้ยปล่อยออกดึงกลับม า, านะแพยายามที่จะใหู้้สึกตัวได้บ่อยๆนะมีสึกตอวบ่อยๆเร้องไม่เป็นไรกับงานู้สปวืงถ้าเรามีควา ม, มู้สึกตัวที่กายได้บๆนะอันนี้คือการเลือกใจกับมาอยู่กับมกับปวงเลือกขวัญมาอยู่กับมือกับปวง อั น, น้เป็นจุดเริ่มต้นมาของการฝึกจเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวนะการทาเนี่ยเราต้องอาศัยรูปแบบอ่ารูปแบบเนี่ยมันจะช่วยทําให้การเจริญสติของเราเร็วขึ้นหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นเลยรูปแบบไม่ต้องทําก็ได้เราก็มีสติอยู่ในชีวิตประจําวันอันนั้นมาพูดๆได้นะแต่ว่าคนที่จะทํำอย่างนั้นได้สแสดงว่าเขามี พื้นฐานสติมาดีแล้วถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่มั่นใจอย่าประมาทใช้รูปแบบมีช่วยในการที่จะทําให้การเจริญสติเนี่ยมีการพัทนาขึ้นมาการเดินจงกปลนการสร้างจังหวะมนรูปแบบนั่นแหละนะแรกแรกเนี่ยทันช้านิดหนึ่งใส่เจตนาที่จะรู้สึกเข้าไปบางทีมันจะเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับ มันรู้สึกเพื้นมันรู้สึกตึงมันรู้สึกหนักแล้วก็ผ่นะอนคลายนาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราค่อยๆปรับนาค่อยๆปรับไปการเดิจนจงกรมก็เหมือนกันให้เรารู้สึกตัวกับเท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบโดยไม่ต้องมีคำบริกัมรูร้แบบตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดรู้เผลอแล้วกลับมาใหม่นะาโดยจะได้มีนิ่งความคิดของมันเยอะนาพวกเรา อยู่ในเมืองอยู่ในสังคมมันคิดมากมาเดินโจงกลมเนี่ยมันจะคิดมากมันจะฟื้นซ้ำไม่เป็นไรให้มันคิดไปแต่เราไม่ตามมันความคิดเนี่ยไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวนะแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในสังคมมันคิดอะไรเราก็ตามมันไปเรียกว่าเป็นทาสของความคิดนะแต่เรามาที่นี่เนี่ยเราจะปดแอบมันเราจะไม่เป็นทาสมัน สิ่งที่จะทำให้สามารถที่ไม่เป็นท่าก็คือกลับมวารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเข้าไปแทนความคิดซะธรรมชาติเนี่ยมันมีเมฆก็มีสว่างมีร้อนก็มีเย็นมันมีคิดมันก็มีไม่คิดไอ้ไม่คิดมันคือรู้สึกตัวจนเมื่มันจะทดแทนกันได้ใจเราเนี่ยจะรับได้ทีละทีละอารมณ์ถ้าความคิดมันครอบงาเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าความรู้สึกตัวเข้าความคิดมันจะเข้ามาได้หมายความนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเล่นเกมกั่มันแต่ความคิดเฮ้ยเวาฟังเสียงเสีนงดังพักพักกันก่อนเสียงมันดัง เพราะฉะนั้นนะครับในการเจริญสติในเบื้องต้นเนใ่้เราหมั่นรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆกายเนี่ยมันเป็นของหยาบๆที่เราจะรู้ได้ง่ายและหน่วใจเนี่ยมันเป็นของละเอียดมันรู้ได้ยากแต่ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้นะรู้ได้นะแต่เรารู้ที่กายเนี่ย ถ้ารู้กายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้ลมหายใจเองจากกายที่เคลื่อนที่ไหวเนี่ยนะเราเห็นมันบ่อยๆแล้วมันบ่อยๆรีมันบ่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะหรือว่าบางทีมันก็รู้สึกคกันกระยุกกระยิบขึ้นมาที่ผิวหนังนะสิ่งเหล่านี้ย มันเกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสติใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวของที่เราไม่เคยสนใจเราจะเริ่มสนใจเช่นเสียงแมลงกรีบกรองเนี่ยแต่ก่อนเราอยู่ในเมืองเราไม่เคยได้สนใจหมือกลิ่นดอกไม้หอมันอ่อนเป็นดอกไม้ป่าเนี่ยเราก็ไม่เคยสนใจจากความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยเราทำบ่อยๆทำมุ่งต่อเนื่องงานมีความมันมีความเพียรนี่ มันจะไปสัมผัสกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าไปนะจากกลิ่จากเสียงแม้แต่การลิ้มลสอาหารการรับประทานอาหารเนี่ยแต่กว่าเราเราไม่เขาได้ใส่ใจเรากินไปอย่างนั้นเไงรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็กินไปอย่างนั้นแหละแต่เมื่อสติมันถูกพัฒนาความรู้สึกตัวมันพัฒนาอย่างดีแล้วเนี่ยแม้ข้าวเปล่าเนี่ยมันก็จะมีรสหวาน มันจะสัมผัสกับสิ่งที่มันธรรมดาธรรมดานี่แต่มันจะมีรสชาติขึ้นม า, นาซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่สติเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกตัวละเอียดอ่อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ป็นนา ม, มาทำเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็คืออารมณ์ความนึกคิดต่างๆอารมณ์ดีอารมณ์มไม่ดี พอใจไม่พอใจนะซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช้วันแต่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเพราะนั้นชีวิตที่เรามีความทุกเนี่ยเพราะเราไม่เคยที่จะมาดูสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมาศึกษามันเราก็เลยเดินมันกดมันข่มมันใช้ใจเรามันใช้ชีวิตเราชีวิตเราก็เลยละหกละเหินว้าเหวสับสนวุ่นวายเครียดขึ้นมา ทีนี้รรถ้ า, าเรารู้เท่าทันารมณ์รู้เท่าทันความคิดเลยเนี่ยมันจะเกิดการปรับสมดุลโดยสติหรือความรู้สึกตัวเพียงแค่มันรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อยๆเนี่ ย, ย, ยมันจะเริ่มเห็นแล้วมันไม่ถึงกับขนาดโกรธแล้วความโกรธไม่แสดงว่าโ้โหมันเต็มที่แล้วก่อนจะโกรธมันจะหงุดหงิดก่อนมันจะหงุดหงิดอะไรขึ้นมาในใจเล็กๆน้อยๆอยถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะดับความหงุดหงิด ได้ทันทีแล้วมันก็จะไม่โกรธออกมาดางนะั้นตรง น, นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการฝึกฝึกรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวแล้วนะมันก็จะไปรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายของเราเกิดขึ้นกับใจของเราจะเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นความคิดก็ดีงานะมันจะเห็นได้ชัดขึ้นแต่ก่อ น, นเราเห็นไม่ชัดแล้วมันมากลุ่มเรากลุ่มใจเราให้เร า, เราดีใจให้เราเสียใจ ให้เราทำนู่นทำนี่บางทีก็ไม่เป็นสาระบางทีก็เป็นสาระนะแล้วเราก็เดินหลอกเดินความคิดมันหลอกหลอกให้ซื้อไอ้นั่นสิซื้อไอ้นี่สิไปเที่ยวที่นู่นไหมไปเที่ยวที่นี่ไหมเครียดมากไปที่นู่นไปที่นี่เดินมันจูงไปเดินมันลากไปแล้วเราก็เหนื่อยเราก็เสียเงินเสียทองเงินไม่พอใช้แตเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้มาเรู้ กลไกลเหล่านี้ทีนี้เมื่อเรามาจเจริญสติเนี่ยเราจะเรียรู้เรื่องพวกนี้เมื่อเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจแปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันแปลเปลี่ยนมันแปลปลู น, น, ปลปลนอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของเราก็ดีความคิดของเราก็ดีมันไม่ยั่งยืนมันไม่คงตัวแต่เรื่องในอดีตเนี่ยที่มันยังอยู่เนี่ยเพราะเรายังจําได้ไหมายรู้อยู่เรายังไม่ยอมปล่อยวางมัน เราย้ำคิดย้ำทำเราปล่อยวางไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่มันประทัดใจมากๆเรื่องเรื่องที่มันปักอยู่ในใจเรามากๆเราถอนไม่ออกเพราะนั้นการมาเจริญสตนะิก็คือจะมาถอนสิ่งที่มันปักอยู่ในใจเราหรือมันกัดทำในใจของเราปัดหนองทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเรามีความทุกข์เราไม่สามารถที่ชำระล้างออกไปได้การที่เรามาจเจริญสติ กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆตรงนี้จะเป็นการชำระล้างมาสิ่งที่มันหมกหนมอยู่ในใจของเรามันจะชำระล้างนิสัยนาที่ทําให้เราทุกข์ง่ายนาที่มันเคยฝันจะเป็นเรื่องในอดีต ก, ก็ตามที่อะไรอวร ก, ก็ดีหรือสิ่งที่เรากังวลอยู่ในอนาคตก็ดีนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับเรื่องอนาคตมากเกินไปไม่ต้องไปอะไรอวลกับเรื่องอดีตมากเกินไปนะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนี้เนี่ยจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมั่นคงหนักแ น, น่นนะไม่ระหกละหืนและความทุกข์เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่จอนมาแล้วก็จอนไปโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจาก ร่างกายเนี่ยเช่นปวดเมื่อยเนี่ยเราก็แก้ไขด้วยการผนะ่อนคลายบรรเทาแะเช่นเนั่งมันนานมันปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนอุปโบคมันก็หายแต่ความทุกความคิดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่มันคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะเข้ามาแก้เข้ามาปลดป่อยนะแล้วก็มาทําความเข้าใจนะ ตนี้เนี่ยมันต้องาใัยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการมาที่วัดป่าสกโตเนี่ยเรามาเจริญสติเพื่อแก้ทุกข์ที่มันมีอยู่หรือที่มันเคยมีก็ตามหรือมันเคยชินที่จะเกิดก็ตามเพื่อที่จะแก้ตรงนี้ถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้เนี่ยการมาวัดป่าสกโตเนี่ยอาจะไม่ถือว่าไม่มาถึงวัดป่าสกุโตน่าไม่ได้ผลคุ้มค่าจริงๆ ทีนี้การจเจริญสติเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเราทํำในรูปแบบนะการเดินจง ก, งกรมตอนสร้างจังหวะให้รู้สึกตัวที่กายบ่อยๆความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจสำหรั บ, บคนใหม่นะอย่าไปสนใจเลยอย่าไปต้อแย่กับมันเลยแต่คนเก่าเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวที่กายชัดแล้วเนี่ยนะก็สนใจกับความคิดได้ให้รู้เท่าทันมันอย่าไปตามมันนะ มันคิดดีคิดไม่ดีกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้ยบ่อยๆที่กายบ่อยๆนะตรงนี้จะเป็นฐานเป็นหลักนะที่จะทำให้เราไม่พัดไปในกระแสะของอารมณ์ไม่พัดไปในกระแสะของความคิดนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญทีนี้ในการที่เรามาฝึกในช่วงแรกๆเนะี่ยมันจะต้องปรับเนื้อปรับตัวพอสมควรนะโดยเ้พาะยิง่งเรามาอยู่ที่นี่ การกินการอยู่การหลับการนอนนะ่ะมันไม่เหมือนที่บ้านมานะในช่วงแรกเนี่ยจะจะจะลําบากนะจะลําบากจะอึดอัดมานะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรามาทรมานตัวเรเองหรือเปล่านะขอให้คิดเสียงนี้นะว่ามาทรมานกิเลสนะซิ่งกิเลสนะีมันทําให้เรารักสบายไม่กล้าที่จะเผชิญความลําบากนะ่ะแล้วเราก็เลยมีอินเซีย์ที่อ่อนเขาเรียกว่าอินทรีย์ลูกหนู นะ เ, เ, เพราะฉะนั้นมาฝึกที่นี่น่ะเราฝึกให้แข็งแกร่งฝึกให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นมาน่ก็พยายามที่จะอดทนนะมีความอดทนใช้ขันติเข้ามาช่วยจะลำบากเช่นอาจจะหิวขึ้นมาอาจจะรู้สึกไม่สบายขึ้นมานะก็พยายามที่จะอดทนนะแล้วก็พยายามที่จะปรับเนื้อปรับตัว นะธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะประมาณสองสามวันเดี๋ยวมันปรับได้เองอ่ะมันไม่เหนือไม่เหนีวิสัยนะยิ่งเรามาอยู่ที่นี่เราตั้งใจมาแล้วมีความศรัทธามาแล้วเนะี่ยขอให้อาศัยความศรัทธามีความเพียรในการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วในในแต่ละวันเนี่ยนะให้ใช้เวลาเพื่อการเจริญสติอย่างเต็มที่อาจารย์ไพศาลสมัยไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนะี่ยถาม่าตะนเริ่มฝึก แต่ละวันกี่โมงเลิกกี่โมงคิดว่าเป็นเวลาราชการเช่น8ปดโงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นหงพ่เทียนบอกตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนั่นก็หมายถึงว่าทั้งวันเนี่ยให้เป็นวันแห่งความรู้สึกตัวซึ่งแด้นอนละเราก็มีทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบในรูปแบบก็คือเดินจงกรมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือมีสติกับกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นนอน น้าง่าแปลงฟันเข้าน้ําด้วยความรู้สึกตัวนะอย่างเราตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีเราปุ๊บปั๊บลุกขึ้นเลยต่อไปนี้เนี่ยพอเราตื่นเนี่ยเรายังไม่ามึนลุกนะส่วน ใ, ใจเข้าเลือกความรู้สึกตัวเข้ามาพลิกมือมเล่นๆนะลุบๆนย่ามาจ้องรีบร้อนนะมีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมา ด้วยความรู้สึกตัวอาจจะมีความคิดแวบเข้ามาอย่าไปสนใจมันกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่ลมหายใจนี้เก็บพับผ้าให้เรียบร้อยนะด้วยความรู้สึกตัวนะออกจากห้องนอนเข้าห้องน้ําเดินด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาเอาน้ํามาลูบหน้าเย็นสดชื่นสัมผัสกับความเย็นของน้ําเรามีชีวิตอยู่เฉพาะหน้ากับสิ่งที่เราทําแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัว แต่ตอนนี้เราแปลงฟันไปเราคิดเรื่องนี้นคิดเรื่องนี้วางแผนเรื่องนีน้วางแผนเรื่องนี้เช้าวันนี้จะไปทําอะไรต่อไปนี้เนี่ยถ้ามันคิดปุ๊บกลับมาตรงการเคลื่อนไหวที่แปลงสีฟันเลยมาแปลงสีฟันนี้คิดปุ๊บกลับมาตรงนี้นี่คือการฝึกความรู้สึกตัวกับกิจวัตรประจําวันเทีน้ําขัดท่ายอุจจาระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัวบางทีเรานั่งต่เรคิดไปเพลินไปต่อี้เรามารู้สึกตัวกับการ ห้วิจาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เมื่อใครจะอาบน้ําอาบด้วยความรู้สึกตัวนะเชา้ชาเช้าตื่นมาเนี่ยอากาศที่นี่จะเย็นนะก็ค่อลูบเนื่อลูบตัวให้มันรู้สึกตัวไม่ใช่เอาน้ำลาดโคมนไปเลยจะเป็นหวัดนะแล้วก็จะไม่สบายง่ายๆการอาบน้ำนํำด้วยความรู้สึกตัวก็คือเราอาบทีละขันทีละขันะข น, นะแล้วก็ ล้างหน้าล้างตาถูขี้ใครถูสบู่ให้อย่างดีนะแล้วก็ค่อยๆลาดไปที่รัันที่รักขันซึ่งตรงนี้นจะช่วยประหยัดน้ำแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่า ง, างดีเรียกว่าอาบน้ำด้วยความรู้สึกตัวนะหลังจากนั้นก็ปิดไฟปิดพัดลงปิดน้ำเปิดห้องออกมานะเดินมาที่หอไตเพื่อที่จะมาเร่วมกิจกรรม เดินมาด้วยความรู้สึกตัวมามานั่งระอย่างรอเราก็นั่งสร้างจังหวะของเราเราไม่นั่งคุยกันเพราะการคุยเราเป็นลูเลือดลูเลือดที่ทําให้สติมันขาดช่วงมันไม่ต่อเนื่องเรามาก็นั่งสร้างจังหวะเลยเรียกว่าเก็บทุกเม็ดเก็บทุกวินาทีให้เป็นวินาทีแห่งความรู้สึกตัวแรกๆมันประจุดอัด มันจะยังไม่ลงตัวมันจะสงสัยมันทาไปทาไมอะไรเงี้ยตรง น, นี้เนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้นะกับกิบจวัตรประจาวันตอนเช้าเดินไปกินข้าวไปฉันระหวอย่างที่นั่งรอเราก็นั่งสร้างจังหวะขณะไปปักอาหารก็พิจารนาว่าเราจะกินหรือฉันแค่ไหน เอาเท่าที่พอเหมาะพอดีอย่าไปโลภมากานาบางคนน่ยหิวหิวมากมากเกิดความโลภไม่รู้ตัวโหตักไปใหญ่เลยกินไม่หมดกินไม่หมดจ้นไปทิง้งเอาไปเลี้ยงหมาก็มีนะบางคนยานโลภมากยาเส้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีสติในการที่จะตักอาหารตักอาหารไปแล้วไปนั่งรับทานด้วยความรู้สึกตัวไม่คุยกัน น่ะเราไน่นั่งกินไปคุยกันไปพอนั่งกินไปคุยกไปเดี๋ยวค่าติดคอน่ะบางทีกินแบบไม่มีสติรีบกินมุมมาเนี่ยบางทีกัดลิ้นตัวเองก็มีมีอะไรแบบไม่มีสติในการกินเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะเราสามารถที่จะฝึกได้กับกิบจวัตรประจําวันการทําความสะอาดห้องน้ําการช่วยหนูงานส่วนรวมด้วยความรู้สึกตัวแทนที่เราจะเวลาไปพูดไปคุยกันเราก็มาทําประโยชน์ ไปด้วยฝึกความรู้สึกต่อไปด้วยเพราะัการทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าทำเพื่อเตืมยันหลับ อ, อย่าไปคิดว่าฝึกสติแค่ในรูปแบบพอแล้วพออาคังต้้งหมดยกสี่โมงเย็นเอคุยกันเลยสติที่ฝึกมาเนี่ยมันจะหายไปทันทีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการมาฝึกสติเนี่ยเราต้องใช้ ความแยบคายสักหน่อยหนึ่งล้วก็พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวพยายามคุยกันให้น้อยๆถ้าไม่คุยกันเลยไม่มีเรื่องจำเป็นไม่ต้องคุยกันเลยจะดีอันนี้อันนี้จะจะได้ผลดีแต่ถ้าไม่คุยกันเลยมันจำเป็นไม่ ไ, มได้นะแต่คุยเท่าที่จําเป็นโดยเฉพาะคนนี้มาใหม่เนี่ยอย่าไปสนใจที่อยากจะทากิจกรรมสัม น, นาการหาเพื่อนใหม่ๆหาเรื่องคุยนะ เพาบางทีมาฝึกฝึกไปใหม่ๆเนี่มันจะเบื่อเบื่อแล้วมันก็ไม่อยากทําไม่อยากทําไอค้คนนี้ก็ไม่อยากทำไอค้คนนี้ไม่อยากทำก็จับกลุ่มคุยกันพอจับกลุ่มคุยกันนี่แหละสติหายเลยเพราะสติเนี่ยมันมาไวัยไปไวแล้วการคุยเนี่ยมันเป็นรูปร่อยของความคิดเพราะนั้นที่นี่เนี่ยจะเน้นเลยนะว่าลดพูดเพื่อภาวนาลอพูดให้น้อยมาตรงนี้จะได้เกิดผล แล้วสตินี่มันจะเกิดจะต้องต่อเนื่องมันเป็นลูกโซ่คําว่าลูกโซ่นี่ที่มันเกิทีละขนาดขนาดแล้วมันมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆและทีนี่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปสร้างให้มันทีนะแต่เราทํำบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเองเป็นเองเป็นธรรมชาติเองเราไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นทีโดยที่ใจเราอยากให้มันเป็นไม่ได้เปงแต่ว่าเราขยันที่จะรู้สึกตัว ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเราเรียกว่าทุกเรนาทีมีค่าเป็นเรือนาทีแห่งความรู้สึกตัวใหม่ๆก็จะเทรียดนิดนึงอาจจะหนักไป น, นิดนึงก็งไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆปรับผ่อนคลายไปทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาให้สังเกตนะคนใหม่ๆเนี่ยวันแรกๆเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นให้สังเกต ด, ดูตั้งแต่วันนี้เพิ่มมีไปเมงงื่่วง สองเบื่อสมฟสุ้งซ่านสีสงสัยลังเลห้ารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายเลยตัวที่เด่นที่สุดคือความเม่วงมันจะมาก่อนโดยเฉพาะแ่งสร้างจังหวะเนี่ยมันจะเง่วงง่ายฟุ้งซ่านมันจะเกิดตอนเดินสิ่งเหล่านี้นไม่เป็นอุปสรรคเลยนะแต่ในทางธรรมะ ก, ก็บอกว่าเป็นนิวรณเครื่องกางกัน้นแต่จริงๆอันนี้ ตนบดเรียนเป็นแบบฝึกหัดให้เรามาเรียนรู้ความเร่องเตง้มกับความเตื่นเพราะฉะนั้นที่สุด ข, ของความเร่งคือความเตื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราทะลุความเร่องมันจะเตื่นขึ้นมาทันทีถ้ามันเร่งเลยกับมันเลยไม่ต้องไปหนีมันเลยกับมันเช่นเราแั่งสร้างจังหวะแล้วมันเร่งเราทำช้าๆมันวอกทําให้ไหวขึ้นแล้วจะนั่งหลับตาถ้ามันรู้สึกเร่งลืมตา ถ้าทําไปบ่อยๆมันเกิดคล้ายๆมันมันอัตโนมัติน่ะมันเกิดผ้าๆเบอร์เบอร์ขึ้นมาหยุดก่อนยังไม่ต้องทำํำนั่นกับเซ็ตใหม่วางก่อนสักพักหนึ่งให้มันรู้สึกสบายๆแล้วก็ทําใหม่ตัวนี้เรา ต, ต้องต้องต้องมีมีเทคนิคที่เราจะปรับความม่วงและต้องสัญญากับตัวเองเลยไม่นอนตอน ว, วันไม่นอนสมัยตอนมาไปฝึกกบบบับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทยบอก กลางวันไม่นอนกลางคืนนอบางคนเนี่ยเมื่อมากๆขอสักนีบหนึ่งเดี๋ยวก็ตื่นมาถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเราต้องฝืน ม, มันต้องเราตืนมันต้องเราชนะมันก่อ น, ะอนมเมื่อความเบื่อทำมาแล้วแบซ้ำๆ ซ, ซักๆยกไปยกมาไม่เห็นมีอะไรเลยเบื่อจะตายไปเออมันมีอย่างนี้นกันนะ ไอ้ความเบื่อมันจะชนให้เราไม่อยากทําเพราะฉะนั้นเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทําเรื่องเราทำไม่เมืองก็ทาอย่าให้ความเมื่องความเบื่อมาทําให้เราเมื่อยนี่คือแบบฝึกหัดแบบแรกที่เราจะได้เรียนรู้ไม่ว่าคนเคยฝึกมาหรือไม่ฝึกมาก็ตามเริ่มต้นมันตัวเนี้ยแล้ถ้าเราผ่านมันได้นะมันก็จะไปเกิดอาการที่เราเรียกว่าการเตือนขึ้นมา แต่ตื่นเยอะมันก็กลับมางเงื่อยตื่แล้วกลับมาเมื่อยตรงเนี้ยมันโดยทางนี้เราเกิดการพัฒนาขึ้นมาน้ำหนักของความเ่วงมันจะค่อยๆลดลงไปในวันที่สองวันที่สามความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันบางคนเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมคิดวนะ่ามันจะต้องสบงบเงียบๆมันไม่ต้องคิดอะไรมาทำแล้วโอ้โหฟุ้งขนาดหนักเลยจริงๆไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยนะถ้าดูดี ๆ, ๆมันจะเป็นปัญญาได้ นะถ้าเราพลิกกับก็คือมันฟื้นเราไม่ห้ามไม่ตามกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันอ่อนกําลังเบงความฟื้นสั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยนะความเบื่อความเมื่องความอุดมิดความไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวมันคะ่อยๆปรับตัวเองตรงนี้มันจะเกิดขึ้นทีนี้มันทีทําไปทํามาผ่านอารมณ์พวกนี้ได้แล้วเนี่ย จะรู้สึกเบาสบายมีความสุขแต่ตรงนี้ก็ย่าเพ่งไปติดนะโดยพาะคนเก่าแเนี่ยนะโอ้รู้สึกสบายเดนินเหมือนตัวลอยเลยโอนีม่สาเร็จแล้วอันนั้นต้องระวังให้ดีอันนี้ก็อารมณ์ที่จะไปติดกลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมันรู้สึกตัวหรือบางทีทำไปทํามาโอ้ทํมามันแตกฉานเลยนะที่เคยอ่านหนังสือมันแตกฉานเลยอยากจะไปบอกให้คนโน้นบอกคนนี้อยากจะไปพูดในคนฟังหรือบางคนอัปปการาเขียนเลย ข้อเดืนสองเขียนเลย น, นี่ก็หลงไปแล้วลืมตัวไปแล้วมตัวไปในความคิดแล้วเพราะฉะนั้นกลับมารู้สึกตัวกลับรู้สึกตัวที่ปัจจุบันนี้ให้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จุจดสําคัญก็คือว่าฝึกรู้สึกตัวที่กายขึ้นไหวให้ได้บ่อยๆแต่ซึ่งอาจารย์ น, นำ้ำศิลป์ก็ให้ให้สูตรสำเร็จไปแล้วนะสำหรับผู้ที่มาฝึกเนี่ยใจมีสติอยู่กับกายแค่นี้นผลลัพธ์คือใจปกติ อย่างขณะที่เรานั่งฟังแบบนี้ถ้าใครไม่ง่วงใครไม่ซึมใจปกติเฉยๆใช่ไหมสังเกตและตรงนี้แหละเป็นที่พักใจที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราที่เราสุขเราทุกข์เพราะเราไม่รู้จักตรงนี้ชีวิตของเรามันมันไม่เฉยอ่ะใจมันไม่เฉยอะใจมันหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้แส่เรื่องนู้นแส่เรื่องนี้ มันสุขสุขุกๆฟูๆฟแฟบแแต่ใจปกตินี่ยคือใจเฉยเฉเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเพื่อที่ให้ใจมันกลับมาอยู่กับความเป็นปกติความเป็นปกตินี่เราไปสร้างไม่ได้นะมันมีของมันอยู่แล้วมันมีของมันอยู่แล้วมันจะเดินขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกตัวและความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวที่พาใจกลับมาสู่ความเป็นปกติและนี่แหละเป็นนิพพานน้อย ที่อาจารย์พธธุทธทาสได้พูดถึงเอาไว้และเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจมีความชุ่มชื่นใจไม่ร้อน อ, อกร้อนใจนะนิพพานเนี่ยเป็นคําว่าเย็นก็คือใจเย็นเย็นอกเย็นใจแม้ว่าจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีแต่มันนิดบ่อยๆอิ่มหน่ามันก็จะมากขึ้นไปเองมันเป็นใจที่เป็นปกติ แล้วนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงนะที่มันมีอยู่แล้วเป็นความสุขที่มาโดยธรรมชาติเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปเสียเงินไปวิ่งหาซื้อที่ไหนแล้วมันซื้อก็ไม่มีใครทำให้ก็ไม่ได้เราต้องทำเองและตรงนี้นี่เองนะที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีชีวาขึ้นมามีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา มีความสุขได้ง่ายแต่ก่อนเนี่ยเราสุขยากทุกข์ง่ายแต่เมื่อเราเจริญสติแล้ ว, ลลวมันจะทุกข์ยากเราสุขได้ง่ายนี่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่เท่าที่ได้ยู่ได้ฟังมาเนี่ยลืมให้หมดไปเลยนะอย่าไปจําแล้วอยไปหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเลยนะให้กลับมารู้สึกตัวที่กายแล้วอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่าไปมืองหมายอย่าไปเพ่งเลง อย่าไปกะเกงอย่าไปคิดคำนวณวนะ่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้มันเป็นตามธรรมชาติเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อ่ะเราเอาเมาเล็ดใส่ลงไในดินใส่ปุ๋ยลดน้าําพรวนดินให้มันโตเองเราไปบังคับให้มันโตไม่ได้ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นความเป็นปกติของใจเนี่ยให้มันเป็นเองเราไม่ต้องไปกะเกฑงเราไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปหวัง อย่าไปหวังนะปล่อยวางแล้วให้มันเป็นของมันเองนะมันจะเป็นหรือไม่เป็นกขาช่างมันกี่วันก็ไม่เป็นไรมาสามวันก็ทําเต็มที่สามวันมาห้าวันก็ทําเต็มที่ห้าวันมาเจ็วันก็ทำเต็มที่เจวันอยู่สี่สิบวันทําเต็มที่สี่สิบวันหรือเขาจะบวชอยู่ทั้งบรรษาก็ทําเต็มที่นะถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันไม่เกิดผลก็ไม่เป็นไร ถืว่าเราได้ทำเต็มที่ของเราภูมิใจว่าเราได้ทำแต่เชื่อเถอะถ้าเราทำถูกต้องทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะแต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไปหวังนะให้เราทดลองทำดู ด, ด้วยความเพียรด้วยความพยายามของเรานะแล้วก็พยายามทำให้ต่อเนื่องนะคุยน้อยมีสติบ่อยๆ ขยันรู้คำว่าขยันรู้นะี่คือภาวนานี่นเองภาวนานี่คือขยันขยันรู้ตัวกับรูปแบบกับกิจกรรมต่างๆทำรูปแบบให้มากๆคนใหม่เนี่ยนะคนเก่าก็จะ่ทิ้งงานะเรื่องรูปแบบนะทํำบ่อยๆทําเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามถ้ามีปัญหาพยายามแก้ด้วยตัวเองถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆเข้าไปหาคุณบาอาจารย์เข้าไปหากัลยาณมิตรที่เขาเคยเดินผ่านมา นะบางทีโอ้โหเราทำมาตั้งสามวันห้าวันมันไม่หลุดพอไปคุยท่านท่านคลิกนิดเดียวมันหลุดทันทีเลยมันก็มีเหมือนกันแต่อย่าไปหวังกับครูบาอาจารย์มากนะพยายามช่วยตัวเองมากๆถ้าเราช่วยตัวเราเองให้มากๆแล้วมันจะเป็นความรู้ที่ตัวเราไปมานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อจะได้จากการฝึกด้วยการทาของเราเองเพราะนั้นก็ขอสรุปนะว่า การที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยมานะโดยส่วนใหญ่ก็คงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนาะที่จะมาฝึกเจริญสติซึ่งการเจริญสติที่วัดป่าสุกโตก็จะเน้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวโดยเบื้องต้นเนี่ยให้รู้สึกที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆ่อนอะกจากการทําในรูปแบบแล้วนะก็พยายามที่จะมีรู้สึกตัวกับจิจวัตรประจําวันนาะให้อย่างต่อนเนื่องนะแต่ก็ทํา อย่างผ่อนคลายนะไม่ไม่ตั้งใจมากเกินไปไม่เพ่งเกินไปนะพยายามปรับให้มันพอเหมาะพอดีนะใหม่ใม่มันจะเก่งไปบ้างไม่เป็นไรนะก็ดีกว่าที่เราเผลอเราอยู่ในเมืองอยู่ในโลกเราเผลอมากกว่าอันนี้มันจะเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพ่งบ้างเผลอบ้างเดี๋ยวมันจะพอดีมันจะเกิดความกลมกลืนขึ้นมาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะไม่เป็นชีวิตที่กลมกลืนไปวันวันนึง ไม่ใช่ชีวิตที่เก็บกดไปวันวันหนึแต่แต่วันนี้ชีวิตของเราจะกลมกลืนมากลมเกลืนกับจิตใจที่เป็นปกติอยู่เสมอเสมอมาเส้นตรงนี้จะทำให้ชีวิตของเราน่ะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้นก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะพูดหรือหางไปหน่อยใช้วเวลามากกปหน่อยนะเพราะว่าคนใหม่มาก็เลยอยากจะ อ่นนำเสนอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าอาจจะทําให้บางคนนะอาจจะรู้สึกพูดนานเกินไปพูดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะอะไรในในที่สุดนี้นะก็ขอเรื่องเอาคุณของภาษีรัตนตรยัยแลก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาแล้วนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเรานั่นแหละ นะพระธรรมคือศาสนาความจริงนะที่ปรากฏที่แสดงออกมาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งที่เกิดในตัวเรานะแล้วก็ที่เกิดภายนอะกที่เราจะต้องรู้เห็นนะด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาของเรานะแล้วก็พระสมนะ์ก็คือการปฏิบัติของเราการที่เราจเจริญสติของเราประกอบด้วยความเพียรความพยายามความอดทน นะและความศรัทธาที่เรามีนะจงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนน้ำให้ทุกท่านมานะได้ถึงที่สุดแห่งทุกนะคือความเป็นปกติของจิตใจในเรื่นี้โดยชั่วหน้ากันเถินเจริญพร